ความยากความลําบากเราไม่ถือมาเป็นมุสาวซัยิ่งกว่าเหตผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะ ต, ต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้นได้เพราะเป็นฉะนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดําเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลนได้นี้เท่านั้นนะ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 รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งรู้จะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวนั่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลำบากที่เราจะเอา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 ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใสมันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคดงอควันลงจนดัดออกมันตรงหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัดในส่วนแล้วก็สวยมาจะใส่กบก็ขวดหนะการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลําบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบาย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 เขาเด็จนรุ่มร้มนอนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลางวาอยู่ภายในา จ, จิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกบาบังความกลางวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกลางวาลจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ ความกังวานของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาุปาัติเสสันผิผา น, นีกังวันทั่วแดนโล ก, กทาตหาที่กำหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมติอะไรที่มากีดกัน้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าทำเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขต ข, ของสมมตินิยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาธรรมบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย้งก็ได้แก่สมมุติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดฆ่าสึกกันเมื่อฆ่าสึกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแย้งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอย่อย่างอิสระอย่างสบายๆนี่มีอยู่จริง่ะ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 แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจผมขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้